เป็นสิ่งที่บัณฑิตเนี่ยจะเพึงรู้ได้ที่พระองค์ตรัสเล่าว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรานั้นได้มีความล้ำรนว่าธรรมะที่เราได้บรรลุนี้ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่สงบประณีตยอย่างไม่ได้ด้วยความตรึกละเอียดรู้ได้เฉพาะแต่บัณฑิตส่วนหมูสัตว์นี้เป็นผู้ยินดีเพลิดเพลินในอะไรคือมีจิตใจเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงเกลื่อนรถและโภตาภาทั้งหลาย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 เป็นเหมือนกับเป็นอนูอนูก็คือเป็นเหมือนกับผุยผงเนี่ยนะคือมันละเอียดอย่างนั้นเนะี่ลึกเห็นได้ยากดูกราพิกสูธาลายเมื่อเราคิดเห็นอย่างนี้จิตก็น้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมพิั้งหลายครั้งนั้นเท้าสามบดีพรมเนี่ยนะทราบความลําริดของเราจึงมีความปริวิตรกว่าโอ้เนี่ยนะแนะปลงวาจาว่าโลกเนี่ยพินาฏล่ะสิเนอ โลกเนี่ยจับพินาศละสิเนออันหมู่พรมในหมื่นจั ก, กรวาลเวทล้อมแล้วอันเท้าสักกะเท้าสุยามเท้าสันดุสิตเท้านิมิตเท้าปรินิมิตตะสวัสดีก็เสด็จตามมาด้วยปรากฏอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท้าสามบดีพรมนั้นทรงนิรมิตแผ่นดินเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์เองก็ทรงคุกชานุมนฑนก็คื อ, ค, อคุกเ ข, าข่าข้างขวาลงที่แผ่นดิน ทรงทำอัญเชลีประนมมกรที่รุ่งเรืองด้วยทาสะหนะสะโมทานเรียกว่าประชุมนิ้วทั้ง10บที่รุ่งเรืองด้วยเล็บเหมือนบัวตูมเรียกว่าการไหวให้งดงามก็ต้องไหว้เหมือนบัวตูมเนี่ยนะก็หลายๆคนก็บัวเฉาอันนี้ก็เข้าไหว้ที่งดงามจริงๆ ก, ก็ไหว้เป็นรูปดอกบัวตูมเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวตูมที่งดงามใครไหว้ไม่งามชาติหน้าก็เฉากันอะย่าไปแช่งคนอื่นอีกไม่ใช่เราให้ฟังก็บอกว่า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 พระผู้จำเนกธรำพระผู้มีพระธรรมเป็นต้นเนี่ยขอให้พระองค์แสดงอริยสัจธรรมเธอขอพระสุคดพระสุขโตพระผู้เสด็จไปดีแล้วไปสู่อมตะนิพพานผู้เสด็จไปด้วยอริยมรรคเนี่ยขอพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยโปรดแสดงธรรมเธอจริงอยู่ที่พระองค์คิดเนี่ยว่าธรรมะเนี่ยลึกละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะเห็นได้ยากรู้ได้แต่เฉพาะบัณฑิต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 ปรากฏมีแต่ธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์อันมีผู้มีมนทินเนี่ยคิดแล้วก็คือเอาคนเศร้ามองมาคิดธรรมะอ่ะพอคิดไปคิดมามันก็คว้าได้แต่มิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นมีแต่มิจฉาทิฐิเกลื่อนกล่นกระจัดกระจายทั่วแคว้นมคตเพราะสมัยนั้นพระ อ, องค์ประทับอยู่ที่แคว้นมคตเนี่ยนะแคว้นมคตเนี่ยรัตพิหารเนี่ยคือมันมากไปด้วยรัตที่มิจฉาทิฐิเต็มไปหมดเลยทําให้บริสุทธิ์ก็คือมิจฉาทิฐิ บางแห่งบอกว่าเมือนกับราชยาพิษเนี่ยนะมันเต็มไปหมดเลยเพราะมิจฉาทิฏฐิรัฐที่62โดยเฉพาะไอ้เมืองราชเครื่องอ่ะมันจะมีสภาอยู่หลายแห่งด้วยกันเป็นที่ถกลัทธิกันเนี่ยนี่ยเาถกกันเอาตายเลยอินเดียนี่ชอบเถียงกันมากเนี่ยนีแต่ว่าไม่ชอบวางมวยแบบไทยแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเถียงกันในเรื่องลัทธิเนี่ยนะก็มีสมาคมที่เรียกว่าคุยกันศูนย์รวมลัทธิเลยจะมาสนทนากัน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 หรือเหมือนกับขึ้นไปบนภูเขาทองอะนะจะพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระผู้มีปัญญาดีพระผู้มีสมัญตจักโุรู้โดยรอบเนี่ยนะสมัญตจกักโศก็คือพระผู้มีพระสัพพัญญุตยานพระองค์นี้ปราศจากความเศร้าโศกแล้วเนี่ยนะพระองค์ไม่มีความโศกคือทำไมเอ๊ะทำไม ย, ยกว่าโศกก็บอกคนเศร้าโศกมองอะไรไม่ค่อยเห็นตามบวมหมด ตามันแดงตามบวมเลยมองอะไรได้ไม่ค่อยไกลเหมือนคนมีความโศกเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนที่มีมีพระปัญญาดีมีสมรตะจากโศกไม่เศร้าโศกเป็นเหตุให้ตาบวมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์สเสด็จขึ้นสู่ปราสาสตรที่สําเร็จด้วยธรรมหรือธรรมะปราศาสตคือปัญญาพิจารณาดูหมู่ชนผู้ระงมอยู่ด้วยความโศกผู้ถูกชาติชราครอบงามแล้วอุปมาฉันนั้น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 แล้วก็วันที่ออกบวชพญามานก็มาห้ามมาปราบอีกมาถึงเมืองราชครึกพระเจ้าพิมพ์ิสารก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าโอ้เดี๋ยวยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งก็ไม่มีใครเห็นด้วยแล้วก็สมัยนั้นเขาคือชื่นชมลทัทธิของ阿าระดาบทอุตกะดาบทเขาก็ชื่นชมกันพระองค์ก็ไปปฏิบัติอยู่ในลทัทธิอันนั้นพระองค์ก็เดินจากออกมาก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะมาทําทุกขระกิริยาก็ไม่มีใครเห็นด้วย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 เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยกล้าด้วยชนะสงครามเรียบร้อยเป็นหัวหน้าพาหมูสัตว์ขําข้ามพ้นจากวัฏฏะได้พระองค์ปราศจากหนี้สินว่างนั้นแปลว่าเป็นอิสระเต็มที่เนี่ยนะเป็นเสรีชนเป็นอิสระชนไม่มีข้อผูกพันทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะปโปรดลุกขึ้นสเสด็จจาริกไปในโลกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปโปรดแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเถิดหมูสัตว์ที่รู้ทั่วถึงธรรมคงจกมีแน่แท้ ให้เธอพระองค์สงเคระเข้าเธอนะต้องมีคนรู้สักคนหนึ่ง่างนั้นนะนะก็อันนี้เป็นเป็นการกล่าวถึงความสา ม, มารถของพระพุทธเจ้าว่าอนนั้นขอร้องว่าพระองค์เนี่ยมีความรู้มีความสา ม, มารถความสามารถที่จะช่วยหมู่สัตว์ได้จริงๆแล้วก็ความที่พระองค์มีความสา ม, มารถขนาดนี้เนี่ยนะต้องมีแหละคนที่เห็นธทำตามพระองค์อันนี้ก็เป็นคําอ้อนวอนในยะที่สองในที่สก็บอกว่า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 ที่พระองค์ควรหลุดพ้นแล้วไม่ใช่หรืออันนี้นะเพราะกิจทั้งมวลเนี่ยนะพระองค์ทําไว้เสร็จแล้วไม่ใช่หรือภาร ก, กิจส่วนตัวนี่ทําจบหมดแล้วไม่ใช่หรือพูดแบบภาษาหมายบอกเรียนจบแล้วไม่ใช่หรือในที่4แล้วก็เตือนอีกว่าพระองค์ทําความปรารถนาเอาไว้ว่าปรารถนานี้คําปรารถนานี้ปร า, นานปรถนาเมื่อสี่อสงไขยแสนกับสมัยที่เป็นสุเมศบัณฑิตว่าขณะที่ทอดตัวนอนลงแทบเบื้องบาศ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 อันนี้ก็เป็นคำที่พรหมอ้อนวอนเนี่ยนะอ้อนวอนอาราธนาเชื่อเชิญเนี่ยนะนีในอัตกถาปาสราสิสูตรที่อธิบายต่ออีกนิดหนึ่งว่าถามว่าเพราะเหตุไรจิตของพระองค์เนี่ยจึงน้อมไปอย่างนี้น้อมไปเพื่อการขวนขวายน้อยไม่ขวนขวายหรือไม่ประสงค์จะแสดงธรรมเนี่ยน ะ, ะว่าทาั้งๆที่พระองค์คิดว่าเรา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 พิจารณาก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยหปีเต็มเนี่ยเป็นชีวิตในการพิจารณาเริยสัตว์ทั้งนั้นเลยเฉพาะทุกข์กับสมุทัยเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาเนคขมมาก็คือพวกมรรคสัตว์เนี่ยนะจนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดละอีทีท่วนเอาหลักการทุกประการมาไข ค, ครวนเนี่ยนะอย่างกว้างขวางเป็นนัยหาที่สุดไม่ได้เสร็จแล้วบอกว่าปัจเจกขณะยานอันนี้เนี่ย ที่พระองค์พิจารณาเนี่ยนะโอมันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วมูสัตวแล้วมูสัตเนี่ยแล้วเขาเขาจะบรรลุดได้ยังไงวะเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันละเอียดขนาดนี้เนี่ยหรืออีกในหนึ่งก็เหมือนบอก ว, ว่าถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะพอเห็นตู้พระไตรปิฎกเข้าแล้วเราไปสอนใครเนี่ยใครไปมีเวลาเรียนอะไรมากมายขนาดนี้มีตั้ง91้เล่มแต่ละเล่มก็ไม่ใช่ว่าเอ่อเรียนภายในะาอาทิตย์ละเล่มอาทิตย์ละเล่มใช่อย่างงั้นที่ไหน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 เห็นได้ยากเหมือนมเมล็ดพันธุ์ากาศที่เอาภูเขามาวางปิดเห็นยากอย่างนั้นเลยนะเอาภูเขามาปิดมเมล็ดพันธุา ก, กาศเนี่ยยกภูเขาออกอยังไงเนี่ยนะแต่จริงอวิชาของเรามันใหญ่เท่าภูเขาจริงๆนะก็จะแหมแหวกแหวกออกระลึบแต่ละลืบแต่ละชั้นออกไปได้เนี่ยมันยากอ่างั้นรู้ตามได้แสนยากเหมือนปลายแห่งขนทรายที่แบ่งออกเป็นเจ็ดส่วน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 พาคเพียนต่อสู้กับพญามารแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวเพราะต่อสู้กับมารอะไรนะเมื่อระลึกชาติได้ด้วยปุเพนิวาสานุสติยานแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวเมื่อชำระที่ประจักษุในมัชชิมยามแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวแต่เมื่อแทงตลอดปฏิจจากสมบัตในปัจชิมยามบรรลุอริยสัจหมื่นโล ก, กธาตุก็หวั่นไหวเราผู้มียานแก่กล้าบอกเราเนี่ยสั่งสมบุญมาขนาดนี้มีปัญญาขนาดนี้ แม้คนเช่นเรายังแทงตลอดธรรมะนี้ได้โดยยากทีเดียวนะระดับเน้นยังยากเขาว่ากันโลกิะมหาชนจักแทงตลอดอริยศาสจะทำเหล่านั้นได้อย่างไรพอน้อมมาคิดแบบนี้วับขึ้นมาแบบนี้ก็น้อมจิตอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาความลึกซึ้งแห่งพระธรรมคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันก็อย่างโยมคนหนึ่งเขาว่าเขาไม่มีทุระอะไรเลยนะที่จะบรรลุนิพพานเขาาัน เขาไม่มีธุระอะไรเลยเขาไม่อยากบรรลุอะไรทั้งนั้นเขาไม่อยากรู้ก็อยากเห็นไม่อยากฟังแปลงง่ายๆบอาท่านอย่ามายุ่งกับเขาเลยเาาก็เั้ือนท่านเขาก็จะอยู่ในเช่นทางชีวิตของเขาอะทามากก็ยากทามากก็ลึกอยู่แล้วไอ้เขาก็ไม่อยากรู้ด้วยมันทำยังไงนะไอ้ไม่รู้มันไม่ว่า ก, กันนะแต่ไอ้ไม่อยากรู้นี่มันหนักหนาะสาหัสมาก ธรรมะก็ยากยากแล้วไปต้องไปเล่าให้คนไม่อยากรู้ฟังเนี่ยมันจะยากขนาดไหนว่างั้นทั้นก็เลยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่หนึ่งเนี่ยเห็นความรกชัดของหมูสัตว์ในที่สองเห็นความลึกซึ้งของอริยสัจธรรมเน่นะก็ดูที่เราเรียนกันมาตั้งหลายปีเนี่ยมันเข้าไปถึงไหนกันบ้างเนะโอ้ยได้ยินได้ฟังก็เป็นบุญหูแล้วว่างั้นนะคิดไรมากอันหนึ่งเมื่อเท้าสามบดีพรหมทูลอรารัธนา องรู้นะว่าเมื่อเท้าสามบดีพรมทูนาราธนาพระองค์ก็ทรงน้อมจิตไปอย่างนี้เพราะมีพุทธประสงค์จะทรงแสดงธรรมจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเมื่อเราน้อมจิตไปเพื่อความเป็นผู้มีความขนขวายน้อยเท้าสามบดีพรมเนี่ยนะก็จักอาราธนาเราแสดงธรรมด้วยว่าสัตว์เหล่านี้เคารพพรมสัตว์เหล่านั้นสําคัญอยู่ว่า พระศาสดาไม่ประสงค์จะทรงแสดงธรรมแต่เท้ามหาพรหมอาราธนาให้เราแสดงธรรมท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมะนี้สงบประณีตหนอจับตั้งใจฟังด้วยดีด้วยเหตุนี้พึงทราบ ว, ว่าพระองค์น้อมจิตไปเพื่อขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมก็เพราะจะให้พรหมมาอาราถนานั่นเองทีนี้ถามว่าพรหมเนี่ยพรหมก็คือใครบอกว่าพรหมก็คือเท้าสามบดีพรหมเนี่ยนะซึ่งจะได้กล่าวต่อไป